เเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังสักสูตรหนึ่งนะเกี่ยวกับระหว่างในกับเดียวกันคือในกับเนี่ยคือพัทธกับจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งี้สู่องค์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาเนิ่นานานขนาดไหนสําหรับคนที่ไปเมืองราชครึกมาแล้วไปขึ้นเขาคิจกูรมาแล้วไปดูเขาเวปุระบรนพศมาแล้วจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยเฉพาะภูเขาคิจกูดที่ที่ไปขึ้นไปสวดมนต์กันนะ่ยนะ ครั้งนี้ไปขึ้นเขาคิ้จกรูดตอนประมาณเก้าโมงกว่าๆนะนะเก้าโมงนิดๆก็ขึ้นเขาคิ้จกรูดไปสวดมนต์บนนั้นก็ทําให้นึกถึงเวปุละปรัพทะสูตรด้วยแล้วก็เกี่ยวกับพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับจะได้เข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้เวลาห่างกันขนาดไหน ข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวัคเวปุละปัพพตะสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดกรุงราชครื้ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกเพียสูทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษสูทั้งหลายเพียสูเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหรือว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนเพียสูทั้งหลาย สังสาระคำว่าสงสารหรือสังสาระหมายถึงขันอายตนาธาตุการไหลสืบเนื่องกันระหว่างเหตุกับผลสืบเนื่องกันเป็นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังหรือว่าการมองเห็นใช้ตามองเห็นเพื่อสร้างตาใช้หูฟังเสียงเพื่อสร้างหูรู้กลิ่นเพื่อสร้างจมูกรู้รสเพื่อสร้างลิ้นรับกระทบสัมผัสเพื่อสร้างกายนึกคิดเพื่อสร้าง ปฏิสนธิจิตในพบใหม่ๆพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะมีเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายอันบุคคลตามรู้ไม่ได้ตามรู้ไม่ได้ว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนแล้วให้มันไหลไปแบบนี้เนี่ยนะแล้วมันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนไม่มีใครบอกได้เพราะมันเชื่อมเชื่อมระหว่างเหตุผลเชื่อมเหตุเชื่อมผลเหมือนกับกงล้อเนี่ยนะเหมือนกับกงล้อกงล้อสังสาราสังสารจักรอย่างก็ว่าไปไปดูเพื่อสร้างตาเนี่ยนะ หนึ่งวันเราสร้างตาไม่รู้กี่พบกี่ชาติถามว่าทุกสร้างตาทุกๆชาติไปอย่างนี้แล้วตามันจะสุดที่ไหนมันก็ไม่มีสุดเราได้ยินเสียงเพื่อสร้างหูมันก็สร้างหูทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะมันจะสร้างหูประเภทไหนอีกเรื่องละแต่ว่ามันสร้างหูทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสร้างจมูกทุกครั้งที่รู้กลิ่นสร้างลิ้นทุกครั้งที่รู้รสฉนั้นอมยาอมรูร้รสก็ส ร, สร้างลิ้นได้นะมองว่ารับกระทบสัมผัสปวดเมื่อยเป็นต้นก็เพื่อสร้างกายนึกคิดเพื่อสร้าง ใจที่สุดของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่ตรัสรู้พระนิพพานไม่มีสิทธิ์เลยว่าจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์ก็เลยบอกว่าสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันตามรู้ไม่ได้เนี่ยนะหมายว่ามันมันไม่มีจบมีสิ้นเลยนะมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะอะไรเพราะเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นปกปิดไม่ให้รู้อดีตปกปิดไม่ให้รู้อนาคตปกปิดไม่ให้รู้ทั้งอดีตอนาคตปกปิดไม่ให้รู้เหตุรู้ผลเชื่อมโยงกันในสังสารวัฏไม่ปกปิดไม่ให้รู้จักวัตตะปกปิดไม่ให้รู้จักวิวัตตะปกปิดไม่ให้รู้จักนี้โลกิญะนี้โลกุตระปกปิดไม่ให้เห็นทุกขสัตย์ไม่ให้เห็นนิโรสัตว์ไม่รู้ว่าวิธีใดสร้างวัตตะวิธีใดดับวัตตะอวิชชาปกปิดเอาไว้หมดเลย มีอวิชาเป็นนิวรังกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบอวิชาปกปิดไม่ให้รู้ความจริงตันหาก็รูปไหลฉาบทาอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะท่องเที่ยวไปมาอยู่จุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิมีที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏถ้าตามระลึกชาติเนี่ยนะระลึกไปเถอะอย่างที่บอกว่าพระหนึ่งรูปเนี่ยระลึกชาติได้วันละแสนกับอายุร้อยปีระลึกก็ไม่จบนะ ละลึกอันนะัวันหนึ่งละลึกได้แสนกับละลึกทุกวันไม่ทําอะไรนั่งระลึกชาติอย่างเดียวเนี่ยตลอดอายุร้อยปีเนี่ยนะไม่ทําอะไรนั่งระลึกชาติอย่างเดียวกลับก็ไม่มีจบมีสิน้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเบื้องต้นนั้นบุคคลตามรู้ไม่ได้มันยาวนานขนาดนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่า ว, ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุระบรรพจนี้ในอดีตได้ชื่อว่าปาจีนะวังสะสมัยนั้นมนุษย์ ชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรานั้นมีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรานั้ น, 40, น, น, นขึ้นปาจีนวาวังสะบรรพดเป็นเวลาสี่วันลงก็ลงสี่วันนะภูเขาลูกนี้นะเวปุระบรนพตปกติวันนี้ทุกวันนี่มันขึ้นลงวันเดียวเสร็จแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะอายุสมัยคนอายุสี่หมื่นปีแล้วสูงเนี่ยประมาณ 40, สี่สบศอกขึ้นลงใช้เวลาขึ้นสี่วันลงสี่วัน สมัยนั้นนะพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ก, กักุสันธาเสดอุบัติขึ้นในโลกนะก็อิท่าตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโทนะพระผู้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสเสดไปดีแล้วรู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีคู่สาวกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่เลิศเป็นคู่ที่เจริญชื่อว่าวิธุระกับสันชีวะพระวิธุระองค์ไหนก็องค์ที่พยมาลปากรหินเนี่ยนะองค์สันชีวะก็ที่เด็กจุดไฟเผาไงอะนะ ดูก่อนพี่สู่ท้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี่แลอันตรธานไปแล้วเมื่อก่อนชื่อว่าปาจีนะวังสะบรพทศหมายครับว่าปาจีนะก็คือภูเขาด้านที่ตะวันออกภูเขาที่ตะวันออกอ่ะนะของกรุงราชเชครักบัดนี้ชื่อภูเขายังเปลี่ยนเลยเป็นอะไรเป็นเวปุระบันท พ, พวกมนุษย์เหล่านั้นก็ทํากาละตายกันหมดแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจไม่น่าเพลิดเพลินเช่นนี้ของถ้าเราอกว่าอีก3 0 0 0ันล้านปีแล้วมาพูดถึงวันนี้เนี่ยนะมันน่าชื่นใจบ้างไหมสามล้านปีจะนั่งยิม้มชาตินั้นนะเราเคยเป็นมนุษย์อย่างนั้นอย่างนั้นจะน่าถามว่จาจะรังปลื้มบ้างไหมคงไม่เท่าไหร่นะ บอกว่าสังขารทั้งหลายมันไม่น่าชื่นใจยอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสังขารไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็เป็นทุกข์โดยก่อนที่สุขทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้เหตุที่ชื่อภูเขาอย่างเปลี่ยนมนุษย์ยุคนั้นอย่างตายพระพุทธเจ้าอย่างปรินิพานด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พ, พ, พอแล้วละที่จะเบื่อหน่ายในสังขารดั้งปวงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในรูปพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดด้วยอาริยมรรคจากสังขารทั้งปวงเพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นด้วยอริยผลทั้งหลายอีกเครื่องหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุระบรรพชนี้อดีตชื่อว่าภูเขาวงกฏเขาวงกฏสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณสามหมื่นปี มนุษย์ชื่อว่าโรหิตัสะขึ้นเขาวงกฎใช้เวลาสามวันใช้เวลาขึ้นภูเขาลูกนี้ขึ้นสามวันใช้เวลาลงอีกสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะเสดอุบัติขึ้นในโลกถามว่าขึ้นเขาวันหนึ่งเนี่ยปกติรวมๆขึ้นเขาวันหนึ่งขึ้นได้กี่กิโล คนปกติแข็งแรงหน่อยนะเดินขึ้นเขาเนี่ยไตเขาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าเดินขึ้นเขาวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันเลยเนะี่ยได้กี่กิโลโอ๋อเป็น 20-30 กิโลเหมือนกันนะถ้าคนแข็งแรงนักเดินป่าเป็นปกติเนี่ยนะเดินขึ้นได้หลาย10กิโลอ่ะเป็น10กิโลอ่ะก็คืออยากเล่าให้ฟังว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งแผ่นดินมันสูงขึ้นขนาดนั้นว่างั้นเถอะมันห่างขนาดนั้นนะนะ อย่างสองพันกว่าปีเนี่ยแผ่นดินถ้าสมมตุติถ้าจะขุดของเก่ามันต้องขุดลงไปใช่ไหมถ้าจะดูของเก่าแผ่นดินมันก็ถามว่ามันสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่มันสูงขนาดไหนสูงขนาดขึ้นเดินขุนเดินขึ้ น, นหนึ่งวันลงหนึ่งวันอ่ะจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทังองค์หนึ่งอ่ะใช้เวลานานเท่านั้นนะนะอยากจะเล่าให้ฟังว่าใครจะรอพระศรีอริยะเมตตรอ่ะนะก็ต้องบอกว่าอยากจะบอกว่ามีสเสบียังไหมที่จะนั่งรอนอนรอเนี่ยนะมีค่าที่พักอาศัยพอไหม นะมียอดยานพระอักขระนะมีพวกยารักษาโรคแก้ป่วยแก้ไข้แก้หวัดแก้หนาวว่างหรือเปล่าเนี่ยนะนะที่จะรอรอเนี่ยนะอันนะั้นะนะในสมัยพระพุทธในสมัยที่คนมีมนุษย์อายุสามปึกหมื่นปียุคนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะพระองค์นั้นนะ่ะมีคู่อักขระสาวกเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าริโยสะและอุตระดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด ชื่อภูเขานั้นแหลก็อันตฐานไปแล้วภูเขาวงกฎชื่อนั้นก็หายไปแล้วเนี่ยนะมนุษเหล่านั้นชื่อว่ามนุษย์พวกอะไรโรหิตัสะพวกมนุษย์เผ่าเหล่านั้นก็เสร็จสิ้นตายไปหมดแล้วทำกาละไปแล้วแม้แต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมานณะพร้อมทั้งพระษาวกโกปรินิพานแล้ว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 ดูก่อนพี่สูทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุระบันพจน์นี้มีชื่อว่าสุปัสสะเนี่ยนะชื่อว่าสุปัสสะบันพจนสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุ ป, ปิยาในยุคนั้นมีมนุษย์มีอายุประมาณสอง0 0ปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุ ป, ปิยาขึ้นสุปัสสะบันพจน์ใช้เวลาขึ้นสองวันใช้เวลาลงก็สองวัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะได้มีคู่อักระสาวกคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติดสะและภาระทวชะดูก่อนพิ่สูตรทั้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้ก็ภูเขานี่แลชื่อก็เปลี่ยนอันตฐานไปแล้วภูเขาชื่อว่าสุ ป, ปัสสะก็เปลี่ยนไปแล้วมาเป็น เวปุระไปแล้วไม่เหลือสุปัสสะแล้ววงั้นหมู่มนุษย์เหล่านั้นมนุษย์พวกกลุ่มสุปิยาตายเกลี้ยงเลยนะเท่านั้นไม่เหลือเลย น, นะพวกสุ ป, ปิยาเนี่ยตายไปหมดแล้วเง่นนะก็ทำใจไว้เถอนะถ้าอยู่ถึงร้อยปีเนี่ยนะยังหวังว่าไม่เจอกันตอนอายุร้อยปีนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกก็ปรินิพานไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็เป็นเช่นนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุที่สังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นใจนี่แหละ เพราะฉะนั้นเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารด้วยนิพพานุปัสนาพอแล้วที่จะคลายกำหนัดด้วยอริยมรรคเพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นด้วยอริยผลทั้งหลายเนี่ยนะกะ็วิธีสอนวิปัสนาของพระพุทธเจ้าจะสอนแบบเนี้ก็คิดดูนะขนาดภูเขายังไม่เหลือแล้วแล้วพวกเราจะไปเหลือได้ยังไงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายจะพ้ อ, องไม่ได้ให้คิดเรื่องละเอียดละเอียดแล้วมันคิดใหญ่โตเท่าใหญ่กว่าภูเขาอันนั้นจะใหญ่ขนาดภูเขามากนะ ันวิธีเจริญวิปัสนาอานิจังนี่อย่าไปอานิจังแบบประยิบระยับละเอียดยิบเลยนะนะให้มันคิดเรื่องใหญ่ๆโตๆให้มันเข้าใจก่อนนี่ยนะก่ว่าละเอียดซะจนอนูนี่รู้หมดแต่ว่าใหญ่ๆมองไม่เห็นนี่ยนะปลาเนี่ยมีเกล็ดกี่ตัวเกล็ดเนี่ยเห็นหมด่แต่ว่าปลาเป็นยังไงรู้จักไหมบอกไม่รู้รู้จักเกล็ดปลาเนี่ยนะร่างกายก็เหมือนกันรู้จักว่าเล็บมันเป็นยังไงแต่ว่าคนหน้าตาองค์รวมเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เรียนแล้วเป็นอย่างไรอริยศัตว์ก็เหมือนกันรู้ว่ามันไม่เที่ยง แต่ว่าเอ๊ะเกิดแก่เจ็บตายแบบเปรียใหญ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยเอามาคิดอย่างเงี้ยนะ ก็ต้องพยายามคิดใหญ่ๆอย่างที่พระองค์แนะนําก่อนวะนะแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆนะเหตุการณ์เหล่านั้นยังผันแปรเปลี่ยนไปแล้วที่ละเอียดละเอียดจะไปเหลือได้อย่างไรเพราะให้ดูใหญ่ๆไว้ก่อนถ้าเห็นภาพรวมแล้วย่อยๆมายากเล น, นะนพยายามดูความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของสังขารทั้งหลายแม้กระทั่งภูเขาเหล่ากาบางแห่งเนี่ยถูกระเบิดเกลี้ยงเลยนะภูเขาแทบไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยนะนี่พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย บัดนี้ภูเขาเวปุระนี้ชื่อว่าเวปุระทีเดียวก็บัดนี้หมู่มนุษย์ชื่อว่ามาักมาคทะมาคทะก็คือชาวมาคตนะนะเรียกว่ามักพวกมัคตมคตอย่างภาษ า, าภาษาที่เราเรียนในพระไตรปิฎกเช่นเอวามสุตังเอกังสมยังพระกวานี้เป็นภาษาของชาวมาคัคตเรียกว่ามาคทะนะมาคทีเนี่ยนะภาษาของชาวมาคตแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นชื่อว่าพวกมคตมาคตมาคตเนนะาะไม่ใช่มาคตแบบ คต่อเต่านะคดทอทงอะ่ะหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่ามาค่ะมคทะพวกนี้นี่อายุน้อยนิดเดียวผู้ใดใมีชีวิตอยู่ยืนนานผู้นั้นก็ประมาณร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มียุคร้อยปีเชื่อไหมพวกมนุษย์พวกร้อยปีขึ้นเขาวเวปุระบันพดครู่เดียวหมายว่าอยู่ตรงนั้นนะลงมาบินทบาทแล้วกลับไปฉันบนนั้นได้อะ ถามว่าโอ้โหแผ่นดินมันนาขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะสมัยนั้นคนอายุสองห0ื่นปีสูงอย่างน้อยยี่สศอกก็คือสูง10เมตรเนี่ยนะท่านขึ้นสองวันลงสองวันอะ่ะใช้เวลานานขนาดนั้นอะ่ะและ้วภูเขามันจะสูงขนาดไหนจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยยาวนานเพียงใดนั้นอย่างภูเขาบัดนี้เนี่ยภูเขาชื่อว่าเวปุระเนี่ยมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือใครก็คือเรานี่แหล ะ, สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเราแลมีคู่สาวกคู่เลิศคู่เจริญชื่อสารีบทและโมคคขาลานะดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายสมัยนั้นก็จักนี้และชื่อแห่งบรรพจนนี้จักอันตรธานเดียวนะยุคเหล่านี้ไม่เหลือแล้วสมัยนี้เหลืออะไรก็เหลือป่าป่าต้นอะไรป่าต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเป็นกลายเป็นเมืองร้างเมืองราชครืกเนี่ยเป็นเมืองร้างในคัมภีร์เล่าไว้หลายครั้งว่า เมืองราชครึกมันเหมือนกับเมืองอาถรรพ์เหมืนอนกันว่าถ้าไม่มีใครมีบุญเนี่ยเมือง น, นี้จะเป็นเมืองร้างทุกวันนี้ก็สภาพไม่ค่อยต่างอะไรจากเมืองร้างเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมอนืองที่ไว้ใบท่องเที่ยวทางนั้นเองนะเป็นเมืองที่ยักดูแลเป็นนครแห่งเปรตเหมือนั้นเปรตทั้งเปรตจริงแล้วก็เปรตคนที่แกล้งเป็นเปรตเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยไปขอทานอยู่ตรงนั้นนะขาขึ้นขาลงก็จะมีอยู่ข้างทางพันก็แล้วก็เปรตจริงๆด้วยเนี่ยนะเพราะว่า มันก็มีหลายยุคหลายสมัยด้วยกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ยุคพุทธกาลนี่มีใครเหลือบ้างใครไปไปนั่งคุยลงเรื่องไปเจอมั้งไหมว่าเขาเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยบัดนี้ไปเจอไหมยุคนั้นเหลือไหมออกไม่เหลือแล้วมนุษย์เหล่านั้นทํากาละหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปริญนี้ผานแล้วบัดนี้ที่เราไปเนี่ยนะเหลือแต่ว่าร่องรอยว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยมาประทับแถวนี้บริเวณเนี้ยเนี่ย ที่อย่างนี้แหละนะครับจุดนี้ใครจะกล่าวชี้ว่ามันตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะสังขารทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายก็ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้โดยก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบือนหน่ายในสังขารพอทีเดียวเพื่อจะคลายกำหนัดจากสังขารพอทีเดียวเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขาร เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุโคศาสดาครั้นได้ตรัวญญาาสวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าปาจีนะวังสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวระวงกฎบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าโรหิตตะสุปสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปยาและเวปุระบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่ามาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อนิจจาวัตสังขาราสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงหนอะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยสังขารจะเกิดเกิดโดยอาการ25อุปาทานขันห้าเกิดเกิดโดยอาการ25สังขารเหล่านั้นก็เสื่อมไปถ้าดับปัจจัยโดยอาการ25ครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบสงบสังขารได้ด้วยอะไรทำเป็นที่สงบสังขารคือ พระนิพพานทาเป็นที่สงบสังขารทำเป็นที่สงบทุกข์คือพระนิพพานถ้าสงบสังขารแทงตลอดพระนิพพานแล้วเป็นสุขก็คืออนิจจาวัตสังขาราอุปทวยธรรมมิโนอุปชิ ต, ตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุขโขนะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่า ในอัตถกถาบอทว่าอัปังวาพิโยวาบอกว่าอายุต่ากว่าร้อยก็มีเกินกว่าร้อยก็มีเนี่ยนะแต่ก็น้อยบอกว่าผู้ที่ชื่อว่าอยู่ตลอดร0อปีเนี่ยไม่มีเอกโดยสูงสุดหลังจากนั้นไปชีวิตบางพวกก็หกสปี80ปียังไม่ถึงร้อยปีก็มีก็ตายแล้วนะไม่ถึงร้อยปีก็ตายเยอะกว่าถึงร้อยใช่ไหม อย่างยุคนี้ถึงร้อยนี่แหมหาทําอยู่ทยายากากนนหาไว้กราบไว้ไวหวให้เป็นแบบอะไรนะถ้าอยากจะทําบุญกับคนชราอายุ1้อปีขึ้นเนี่ยนะอยากจะเลี้ยงท่านสัก500ร้อท่านเนี่ยนะไม่รู้จะรวบรวมนั้งประเทศได้ครบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะหาหาคุณคุณตาคุณยายที่อายุร้อยปีขึ้นไปมารวมกันเนี่ยจะให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไวยไง น, นะหายากมาก บางทีก็ตายในเวลา5ปีก็มี10ปีก็มีเป็นต้นน่ยตายตอนเด็กเขาบอกว่าถ้ายิ่งโบราณแล้วนะเด็กอายุตายมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะภูมิคุ้มกันมันก็น้อยมันก็ตายเร็วขึ้นอย่างสมัยใหม่เด็กก็ยังถือว่าตายปริมาณที่มากเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะพวกเด็กๆที่ขับโมอเตอร์ไซค์ตายเนี่ยก็เป็นหมื่นคนอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเด็กๆที่ตายปริมาณก็ยังมากอยู่ น, นะเพราะนั้นพวกวัยรุ่นที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะชนกันตายอะไรตายก็ยังเยอะได้ยินบ่อยๆเพราะนั้น ผู้ที่อายุน้อยนะนะกว่าปีขึ้นไปเนี่ยช่วง10ถึง25ปีเนี่ยก็ถือว่าตายเยอะมากถ้าเมื่อก่อนเลยอายุก่อน10ปีเนี่ยจะตายมากปัจจุบันนี้อายุ10ปีถึง25ปีเนี่ยตายค่อนข้างมากถามเพราะอะไรเป็นวัยขนองนะนะ ต่อไปว่าคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพะนาวากักรูสันธบาบังเกิดในเวลามนุษย์อายุ4ี่0 0ื่ปีพระผู้มีพระภาคเจ้าพะนาวากโกนาคมามนาบังเกิดในเวลาที่มีมนุษย์มีอายุ3 0,000 ่นปีท่านจัดให้เป็นความเสื่อมตามลําดับแต่อย่าไปคิดว่าหมายความว่าโอ้ช่วงมนุษย์สี่0 0่หปีพระพุทธเจ้กากักรูสันธาลดมาถึงส0 0 0มปีพระพุทธเจ้ากโกนาคามนะลดมาเหลือ2 0,000 ปีพระพุทธเจ้าพะนาวากัสปะเกิดขึ้นแล้วลดมาถึง ร้อยปีพระพุทธเจ้าโคโดมเกิดขึ้นอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันง่ายแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถามว่าแล้วถูกเป็นยังไงตอบว่าครั้งแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาวากะกุสันทะเกิดในสมัยที่มนุษย์อายุสี่0มื่นปีก็โดยอายุกับอายุกับเนี่ยสี่ื่นปีเนี่ยแบ่งหาร5ส่วนก่อนพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่แค่4ส่วนแล้วก็ปรินิพานในเมื่อ ส่วนที่5ยังมีอยู่หมายความว่าอย่างเช่นสมมติว่า100ปีนี้ก็หารเป็น100ปีหา5หร5เหลือเท่าไหร่ก็ทุก20ปีก็ได้หาร5พระองค์จะดำรงอยู่4ส่วนก็แปลว่าอยู่80ปีเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มนุษย์นั้นหลังจากนั้นก็ลดลงจนถึง10ปีแล้วก็เจริญขึ้นจนมนุษย์อายุ ถ้าเลขศูนย์หตัวเรียกว่า10ปีเลข0ูย์สองตัวเรียกว่าร้อปีเลข0ูนย์สตัวเรียกว่าพันปีเลข0ูย์สตัวเรียกว่าหมื่นปีเลข0ูนย์หตัวเรียกว่าแสนปี6ตัวเรียกว่าล้านปีถ้าเลข0ูนยตัวละ่ะเขาบอกก็เลิกนับแปลว่ า, าสงไข่บอกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนับเผอนับหนึ่งใหม่ดีกว่ า, วานี่นะก็เลยเรียกว่าอสงไข่ปีขึ้นไปจนถึงอสงไข่ปีแล้วก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมา ถึช่วงมนุษย์อายุสา0 0 0ื่นปีพระโกนาคามณะจึงบังเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระองค์ก็ดับขันปรินิพานแล้วก็ลดลงมาอีกจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยแล้วก็ลดลงมาถึงอายุสอง0 0ื่ปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจึงบังเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ปรินิพานอายุก็ลดจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีโลลดจนมาถึง100ปีพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นเนี่ยนะ มันอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนานมากแต่ความเนื่นนานอย่างนี้ถึงจะอยู่นานขนาดไหนเชื่อไหมอวิชาไม่เคยลดลงเลย น, นะแปลกว่าเป็นสิ่งที่แปลกว่ายิ่งอยู่นานอาวิชายิ่งลดไหมบอกไม่ ยิ่งอยู่นานอาวิชายิ่งแก่กล้าตันหายิ่งรบนะตันหายิ่งแกล้แก่กล้ามากยิ่งขึ้นกิเลสหนักกว่าเก่าเยอะเนี่ยนะอย่าคิดว่าอายุมากๆขึ้นแล้วกิเลสมันลดลงพระสังสารวัตรอยู่กันมานานกิเลสมันเลยโอ้ยมีกําลังมากเขายังไม่ทันด่าเราเลยเราไม่สบายใจแล้วเนี่ยนะเขายังไม่ทันว่าอะไรเลยเนี่ยนะ มันพร้อมที่จะไม่สบายใจหมายความว่าพร้อมที่จะโกรธก็ได้พร้อมที่จะเครียดก็ได้พร้อมที่จะอึดอัดเพราะยังไงเห็นชรา ม, มรณะยังไงก็ไม่เห็นอริยสัจเป็นต้นเพราะไม่ได้น้อมไปเพื่อจะเห็นอริยสัจทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้แหละอวิชาก็แก่กล้าขึ้นกลางก้านขึ้นทําให้ไม่เห็นสัจจะความวิ ป, ปลาสก็มากขึ้นวิ ป, ปลาสว่าเที่ยงว่าสุกว่ายั่งยืนบางทีนะยิ่งอายุมากขึ้นใบไม้แม่ใบเดียวตกอย่างเดือดร้อนเลยเพราะงั้นนะ กลายเป็นคนที่จะคิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละนะเขาไม่เก็บใบไม้นิดเดียวก็จะป่วยจะตายให้ได้นะจะกลานี่ใบไม้นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นหมดอ่ะนะพนลูกหลานมาผิดเวลานิดเดียวก็ป่วยอีกแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่สบายใจเพราะอวิชชาเนี่ยปกปิดกลางกัน้นทำไม่ให้เห็นอริยสัจทั้งหลายพรนวชานี้สะสมอวิชชาไว้เท่านี้ชาติหน้าอาวิชามันโตขึ้นอีกหน่อย มัน ก, แก็แกร่งขึ้นแกร่งขึ้นพบแล้วพบเล่าก็เลยเมื่อเสน็จไม่พอที่จะมองเห็นอริยสัจจะทมเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีคำสอนทำให้รู้ดีรู้ชั่วอนะรู้สีดำสีขาวนะดีก็คือสีขาวดำก็คือชั่วเนี่ยนะชั่ว มันเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งวัตฏะอะไรเป็นเหตุแห่งวิวัฏตะตั้งจิตไว้อย่างไรนอะวิวัฏตะจึงจะเจริญตั้งจิตปฏิบัติตนเช่นใดหนานะจึงจะทาที่สุดแห่งถูกเป้นสิ่งที่เราค่อนข้างาหวังเอาไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้รมใดขอเราได้ตรัสรู้รำเช่นนั้นบ้างทีนี้ อพอเรามีความคิดว่าขอเราได้ตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าบ้างแล้วพระองค์สร้างบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้อะไรสอนอย่างไรแล้วเราจะเห็นธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเพรา ะ, ะถ้ายังไม่เห็นทำบุญแต่ละครั้งว่าบุญกุศลทานศีลภาวนาเราไดที่เจริญขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจใจัยให้ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็เดินวงกลม นนะเดินวงๆๆกลมก็เรียกว่าอะไรนะเคยเห็นวัวหีบอ้อยไหมเขาจะมีแท่นแทแท่นอยู่สองอันจะใหญ่เนี่ยนะมันก็จะเอาไว้หมุนเขาก็ให้วัวเนี่ยเดินรอบรอบตั้งแต่เช้าจุดเย็นเนี่ยนะเช้าจุดเย็นจนเขาบอกว่าวัวที่เดินรอบหีบเนี่ยรอบหีบอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัวเพี้ยนไปเลยอ่าไม่เชื่อก็ลองให้เดินรอบเก้าอี้รอบตัวเดียวเนี่ยนะเดินทั้งทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, วนกลายเป็นคนเพี้ยนไปเลยนะมันเมาอะ่ะ เพราะงั้นนะ่ะสังสารวัฏนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยเมากันไปหมดเลยค่ะเนี่ยเมาไม่รู้แล้วก็หลงทิศหลงทางหลงดีหลงชั่วหลงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหลงกรรมหลง ผ, ผลของกรรมวางของแปบ๊บเดียวก็ลืมแล้วเนี่ยนะมันเบลอขนาดนั้นนะมันเลอะเลือนไปขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสงสารน่ยนะสงสารเออว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มี ทุกถึงเรียกว่ามีทุกขอย่างแล้วเรีว่าเข้าถึงความทุกแล้วไม่ว่าชาติที่ทุกชราทุกพยาที่ทุกทำขนาดจะทําที่ส่วนแห่งทุกได้เพราะนนั้กุศลที่ได้เจริญแล้วโดยเฉพาะบุญกุศลในพระพุทธศาสนากุศลเหล่าใดที่ได้เจริญไว้แล้วขอกุศลเหล่านั้นก็จงเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมะตามพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็คงพุทธวงก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน ก็อยากให้สวดมนต์บ้างนะ